พระไตรปิฎกฉบับประชาชนเล่มที่13าพระสูตรที่23ามหาวัชโคตสูตรสูตรว่าด้วยวัชโคตปริพาชกสูตรใหญ่พระผู้มีพระภาคประทับณเวลุวนารามใกล้กรุงราชครึวัชโคตปริพาชกเข้าไปเฝ้าขอให้ทรงแสดงกุศลและอกุศลโดยย่อ ซึ่งได้ตรัสแสดงดังนี้หนึ่งธรรมะอันเป็นอกุศลสามคือความโลภความคิดประทุษร้ายความหลงสองธรรมะอันเป็นกุศลสามอย่างคือความไม่โลภความไม่คิดประทุษร้ายความไม่หลงสธรรมะอันเป็นอกุศลสิบอย่างคือฆ่าสัตว์ลักทรัพย์